ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมแปลเรื่องที่ยี่สิบปดจตุ ป, ปัจจยะภาชนิยะวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการแจกปัจจัยสี่ การแจกปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นชื่อว่าการแจกปัจจัยสี่บรรดาการแจกปัจจัยสี่นั้นในการแจกจีวรบัณฑิตพึงทราบที่สู่ผู้รับจีวรทิ่สูผู้เก็บจีวรที่สุผู้เป็นพันตาคาริกเรือนคลังที่สู่ผู้แจกจีวรวิธีแจกจีวรเป็นอันดับแรกในบรรดาที่สู่ผู้รับจีวรเป็นต้นนั้น สงปรุงสมมติปิสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้ให้เป็นผู้รับจีวรก็มีพระบาลีว่าดูก่อนปิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้รับจีวรคือปิสุไม่ถึงฉันทาคติหนึ่งไม่ถึงโทสาคติหนึ่งไม่ถึงโมหาคติหนึ่งไม่ถึงพยาคติหนึ่งรู้จักจํานวนจีวรที่รับไว้และยังไม่ได้รับหนึ่ง ก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีอากติสีโดยฐานะที่เกิดบ่อยๆเพระว่าคนที่ไม่มีอากติสีจริงๆต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแต่ว่าแม้ปุถุชนที่ไม่มีการแสดงอากาหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นผู้ได้รับเลือกในการที่จะมารับจีวรได้แล้วก็ข้อที่ห้ารู้จักในการที่จะรับรู้ว่าจีวรอันไหนรับแล้วหรือว่ายังไม่ได้รับก็สามารถแยกแยะไว้ถูกต้องไม่ลาเอียง ด้วยความพอใจด้วยความโกรธเคืองหรือความลงหรือว่าความกลัวแล้วก็เป็นผู้ฉลาดรู้ว่าจิวรอนไหนรับไอแล้วยังไม่ได้รับทำเครื่องหมายไว้ให้ดีในองค์ของพิสูจ์ผู้รับจีวรนั้นพิสูจ์ผู้รับของญาติเป็นต้นของตนแม้มาทีหลังก่อนหรือรับแสดงความพอใจในทายกบางคนหรือน้อมมาเพื่อตนด้วยความเป็นผู้มีโลภะเป็นปกติชื่อว่าถึงฉันทากติ ลำเอียงกักยากจนเอามาถวายก็รับก่อนของคนเดินก็ไว้ที่หลังหรือว่ารับมาแล้วก็เลือกเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ให้ตัวเองอันนี้ก็ถึงชันทางกติที่สุ ร, รัของนายกผู้มาก่อนที่หลังเพื่อหน้าความโกรธหรือรับทําด้วยความดูหมิ่นในพวกคนยากจนหรือทําอันตรายลาบของสงอย่างนี้ว่าที่เก็บในเรื่องของท่านไม่มีหรือท่านจงถือเอาของของท่านไปเถิด น, นี้ก็ชื่อว่าถึงโทสาคติทิกสุดใดหลงลืมสติไม่รู้ตัวที่สุนี้ชื่อว่าโมหาคติํำเอียงหรือคำหลงที่สูผู้รับของอิตรรชนทั้งหลายคือผู้เป็นใหญ่แม้มาที่หลังก่อนกว่าเพราะความกลัวหรือวาดวั่นอยู่ว่าตาแหน่งผู้รับชีวรนนี้หนักนักชื่อว่าถึงพยาคติก็ํำเอียงเพราะกลัว พิสุรู้อยู่อย่างนี้ว่าจีวรตัว น, นี้และส่วนนี้เรารับแล้วส่วนนี้และตัว น, นี้เราอย่างไม่ได้รับชื่อว่ารู้จักจำนวนที่รับแล้วและไม่ได้รับเพราะฉะนั้นพิสุใดไม่ลำเอียงด้วยอำนาจแทงฉันทางคติเป็นต้นรับตามลำดับผู้มาไม่ทําให้แปล ก, กันในคนที่เป็นญาติและมิชญาคนมั่งมีและคนจน เป็นผู้ประกอบด้วยศีลาจาระปฏิบัติมีสติมีปัญญาเป็นผู้หูสูตรสามารถเพื่อกระทำอนุโมทนาด้วยบทและพ ย, ยัญชนะอันเรียบร้อยด้วยวาจาอันสละสลวยยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่ทายกทั้งหลายพึงสมมุติภิกตุเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นภิกตุผู้รับจีวรแล้วก็ต้องทาอนุโมทนาแก่เขาด้วยมันก็ต้องมีบทพ ย, ยัญชนะที่กล่าวได้เรียบร้อยสละสลวย ก็แลพึงสมมุติอย่างนี้อันดับแรกพึงขอให้พิุรับก่อนครั้นขอแล้วพิตรูผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าสุนาตุมรรเมบันเตสังโฆยะดีสังถสปปะสะปตะกัลลังสังโฆอิทั น, นามังบิคุงจิวราปรติกาหกัง สัมมณียะยัสสัจเตตุนตุเมผันเตสังโฆสังโฆอิทันามังภิกขุจีวราปฏิกหาคังสัมมณติยัสสัสสมะโตขัมมติอิทันามาสะภิคุโนจิวรปฏิกขาคัสสาสัมมุติโตตุนหาสัยัสสานัคขัมติ โตพาเสยะสัมมตโตสังเขนอิทา น, นาโมภิกุจิวราปฏิกหาหโกธรรมติสังข ส, สัตสุมาตุนีเอวะมิตังธารยามิอันนี้ก็เป็นกรม ร, กรมวจารุติยะกรรมวจารเรียกว่ายติตุติยะกรรมวจารสวสอดอนุสาวนาสองครั้งพร้อมทั้งยติ ควรสมมติด้วยกรรมวาจานี้ด้วยประการดังว่ามานี้หรือจะทำอัปโลกในท่ามกลางสงทั้งหมดก็ดีในขันธสีมาก็ดีภายในวิหารก็พิสูุซึ่งสงสมมติแล้วอย่างนั้นไม่พึงอยู่ในกุฏิที่อยู่หลังสุดท้ายหรือในเรือนที่ทาความเพียรก็แต่ว่าชนทั้งหลายผู้มาแล้วจะพบได้ง่ายในที่ใดพึงวางพัดไว้ข้างตัวนุ่งห่มเรียบร้อย นั่งที่กูดีที่อยู่ใกล้เช่นนั้นอันนี้ก็ต้องเสียสลามกันจะไปอิสระส่วนตัวหลีดเลนตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะว่ารับทากิจแทนสงแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมารับภาระของสองยนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องมั่นคงถ้าเป็นพระอริยะแล้วก็เหมาะสมมากแต่ว่าถึงแม้ไม่เป็นพระอริยะก็เป็นผู้ที่มีการเจริญสติเป็นปกติได้ในทุกอริยาบทมีคาสอน ก็คือพระธํรมวินัยที่อยู่ในใจพร้อมพอในการที่จะอนุเคราะห์ตนเองและก็อนุเคราะห์คนอื่นด้วยพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าก็ควรสมมุติให้เป็นผู้เก็บชีวรเพราะมีพระบาลีว่าดูกรที่สุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นเจ้าหน้าที่เก็บชีวรคือไม่ถึงฉันตาคติหนึ่งไม่ถึงโทสาคติหนึ่ง ไม่ถึงโมหะคติหนึ่งไม่ถึงพยากติหนึ่งรู้จักจํานวนจีวรที่เก็บไว้และยังไม่ได้เก็บอันนี้ก็ต้องไม่มีอปติความลําเอียงสงอย่างนะแล้วต้องฉลาดด้วยในการที่จะรู้ว่าจีวรอันไหนเก็บไว้จีวรันไหนยังไม่ได้เก็บพึงสมมุติด้วยยติพุติยกรรมวาจาว่าดังนี้สุนโตเมผันเตสังโฆยดีสังขสะปตะกันัง สังโฆท่านนามังผีคุงจีวราณิดาหักงสมมณียะเอสาญาเตสุนารตเมผันเตสังโฆสังโฆท่านนามังผีคุงจีวราณิดาหักงสัมมติยาสายาสมะโตถะมะติท่านนามาสภิกุโนจีวราณิดาหักัสสะตมโติ โซตุลหาสะยาสานธรมติโซพาเสยะสัมมโตสังเขนิทัาโมภิโคจิวรานิดาหโกธรมติสังหาสะตัสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิอันนี้ก็เป็นยติทุตยกรรมวาจาแต่ว่าก็จะอปิโล ตามในที่กล่าวแล้วก็ได้จะอภรอกในสีมาหรือว่าในวิหารในขันธสีมาท่ามกลางสงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าก็ควรสมมุติให้เป็นภิกษุผู้รักษาเรือนคลังเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้รักษาเรือนคลังคือ ไม่ถึงฉันตาคติหนึ่งไม่ถึงตูสาคติหนึ่งไม่ถึงโมหาคติหนึ่งไม่ถึงพยาคติหนึ่งรู้จักจำนวนที่รักษาไว้และยังไม่ได้รักษาไว้ดังนี้เพิ่งสมมติด้วยกรรมวาจาโดยนยเป็นต้นว่าสุมาตุมรรเมผันเตสังโฆยาดิสังคาสะปตะกัลงสังโฆยิทัณ น, นามังผีคุ้งพันดาคาริกังสัมมัญยะ ดังนี้หรือด้วยการอภิโลกก็ได้เพรความที่เหลือก็เหมือนกันสําหรับในเรื่องนี้โทษบางอย่างในสัมภาระทั้งหลายมีหลังคาเป็นต้นในเรือนคลังใดไม่มีเรือนคลังนั้นชื่อว่าคุ้มได้ไฟเรือนคลังใดมีหญ้าสําหรับมุงหรือกระเบื้องสําหรับมุงพังไปในที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือมีช่องในที่บางแห่งมีฝาเป็นต้นที่มีฝนรั่วได้ หรือมีทางข้าวแห่งสัตว์ทั้งหลายมีหนูเป็นต้นหรือปลวกขึ้นได้เรือนคลังนั้นทั้งหมดชื่อว่าคุ้มไม่ได้พึ่งตรวจดูเรือนคลังนั้นแล้วซ่อมแซมเพราะฉะนั้นคนที่รักษาเรือนคลังนี้จะต้องมีความชัฉลาดนอกจากว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอกติสี่แล้วก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเรือนคลังนั้นรักษาข้าวของที่เก็บเอาไว้ได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือมีช่องมีสังขาที่ปุพังก็ต้อง ป้แนด้วยในฤดูหนาวพึงปิดประตูและหน้าต่างให้ดีเพราะว่าจีวรทั้งหลายย่อมขึ้นราเพราะความหนาวในฤดูร้อนประตูและหน้าต่างควรเปิดเพื่อให้ลมเข้าไปในระหว่างระหว่างด้วยว่าเมื่อทำเช่นนั้นจึงชื่อว่ารู้จักเรือนคลังที่คุ้มได้และคุมไม่ได้ก็คือสามารถรักษาเก็บไว้ไม่ให้ข้าวของของสงเสียหายหรือว่าถูกลักไปได้ สงปรงสมมุตดเรือนคลังเก็บไว้ก็มีพระบาลีว่าดูก่อนพิกิุรทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติวิหารเพิงเรือนชั้นเรือนโล้นหรือถ้ำที่สงจำหนงหมายให้เป็นเรือนคลังดังนี้สําหรับในเรือนคลังนี้ที่อยู่ใดทุกพลานไปด้วยคนทั้งหลายมีคนทําการวัดและสามเณรเป็นต้นในท้ำกลางวัดเป็นกุดีที่อยู่ก็ตามเป็นเพิงก็ตาม อยู่ในสถานที่ที่เป็นที่ประชุมของชนทั้งปวงที่อยู่อันนั้นสรงทึงสมมุติเพราะฉะนั้นเรืนคลังนี้ก็ต้องอยู่ในที่ประชุมชนใครไปใครมาจะได้เบิกจ่ายอะไรต่างๆได้สะดวกอันหนึ่งเสนาสนะปลายแดนก็ไม่ควรสมมติอันการที่ภิกษุทั้งหลายไปสู่ขันธสีมานั่งในขันธสีมาสมมติพันดาคาร น, นี้ย่อมไม่ควรก็คือไม่ควรจะไปสู่ขันธสีมามาสมมติ ในนาสณะนี้ด้วยที่เป็นอาคารที่จะเก็บของสงนี้ต้องสมมติในท่ามกลางวัดเท่านั้นพึงสมมุติด้วยกวัมโมอาจาโดยนายเป็นต้นว่าสุนารตเมผันเตสังโฆยาดีสังคาสะปัตะกันลังสังโฆอิทัณ น, นามังวิหารังดันดาคารังสัมณัญญาดังนี้หรือด้วยการอภิโล ก, ก็ได้ จะปรดกก็ได้สําหรับการสมมุติด้วยยติธุริยกรรมวาจาต่างๆเหล่า น, านี้ของพิสูจ ผ, ผู้ทําหน้าที่ในการรับจีวรเก็บจีวรหรือว่าผู้รักษาเรือนทางต่างๆเหล่านี้ใช้ยติธุริยกรรมวาจาหรว่าใช้อัปโลกก็ได้ก็เจ้าหน้าที่ทั้งสามมีพิสูจน์ผู้รับจีวรเป็นต้นต้องรู้จักวัดของตนบรรดาพิสูจทั้งสามนั้น ผ้าทุกชนิดที่ชนทั้งหลายถวายว่ากาและจีวรก็ดีอกาและจีวรก็ดีอเจเจกะชีวรก็ดีผ้าวัสิกะสาดกก็ดีผ้านิสิธนะก็ดีผ้าปูนอนก็ดีผ้าเช็ดหน้าก็ดีอันเจ้าหน้าที่ที่รับไม่ควรรับปนรวมเป็นกองเดียวกันพึงรับจัดไว้เป็นแผนกแนกแล้วบอกตามความเป็นจริงมอบแก่พิตรผู้เก็บชีวรพิสูพผู้เก็บจีวรเล่า เมื่อจะมอบแก่เจ้าหน้าที่เรือนคลังพึงบอกมอบหมายว่านี ana, ิการาจีวรนนิอาการาจีวรนีิอาเจกาจีวรหรือว่าผ้าวัสิกะสาดกหรือว่าผ้านิสิธนะผ้าปูนอนหรือผ้าเช็ดหน้าอันนี้ก็จะต้องแจ้งให้พิสูผู้รักษาเรือนคลังตัไว้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลังพึงทาเครื่องหมายเก็บไว้เป็นแผนกแผนกอย่างนั้นเหมือนกันภายหลังเมื่อสงสั่งว่า จงนำการและจีวรมาก็พึงถวายแต่การละจีวรเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมีการจำแนกแยกจ่ายหรือว่าจัดเอาไว้เป็นแผนกแผนกไม่ปะปนกันเพื่อสองสั่งว่าจงนำผ้าเช็ดหน้ามาก็พึงถวายเฉพาะผ้าเช็ดหน้านั้นเท่านั้นที่สู่ผู้รับจีวรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตแล้วที่สู่ผู้เก็บจีวรก็ทรงอนุญาตแล้วที่สู่ผู้รักษาเงือนคลังก็ทรงอนุญาตแล้ว ตอเดือนคลังก็ส่งอนุ ญ, ญาตแล้วเหมือนกันเพื่อเป็นผู้มักมากก็หามิได้ไปถึงการเก็บจีวรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะจะรับจีวรเก็บจีวรเหล่านี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักมากเพื่อความเป็นผู้ไม่ขันโดก็หามิได้โดยที่แท้ส่งอนุ ญ, ญาตแล้วเพื่อนุเคราะห์สงด้วยประการชนี้ก็ถ้าว่าที่สุดทั้งหลายจะพึงถือเอาจีวรที่ทายกนํามาแล้วนํามาแล้วแบ่งกันไซ เธอทั้งหลายจะไม่พลาดจีวรที่ทายกนํามาแล้วไม่พึงสร้าบจีวรที่ทายกยังไม่ได้นํามาไม่พึงทราบจีวรที่ตนให้แล้วไม่พึงสร้างจีวรที่ตนยังไม่ได้ให้ไม่พึงสร้างจีวรที่ทิสุได้แล้วไม่พึงสร้าบจีวรที่ทิสุยังไม่ได้จะพึงถวายจีวรที่ทายกนํามาแล้วนํามาแล้วในเถระาอาดหรือจะพึงตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วถือเอา เมื่อเป็นเช่นนี้การใช้สายชีวรที่ไม่เหมาะย่อมมีได้ทั้งไม่เป็นอันได้ทําความตรงเคราะห์ทั่วถึงกันก็ถ้าเกิดไม่มีการรับไม่มีการเก็บสะสมไว้เพื่อจะแจกจ่ายให้ทั่วถึงกันอย่างนี้เวลาแจกแจกถึงแก่พระเทระเท่านั้นพระสูตรรูปอื่นก็อาจจะไม่ได้รับแจกก็ได้อาจจะไม่ทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นจึงมีการรับมีการเก็บมีผู้รักษาเรือนคลังอย่างนี้ก็แต่ว่าทิกฐุทั้งหลายแก็บชีวรไว้ในเรือนคลังแล้ว ในคราวมีจีวรมากจักให้จีวรใส่พิกษุรูปละไตรบ้างรูปละสองผืนบ้างหนึ่งผืนบ้างเธอทั้งหลายจักทราบจีวรที่พิกจุได้แล้วและยังไม่ได้ครั้นทราบความที่จีวรที่พิกจุยังไม่ได้จักสําคัญเพื่อทําความสงเคราะห์กันฉะนี้แลเพราะวในครั้งเกอกนี้เจ้าพิจุอยู่กันวัดละห้าร้อยวัดละพันหนึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เอามาถวายก็แจกกันไปเลยก็อาจจะไม่ตัวถึงแน่นอน แม่พิสุผู้แจกจีวรผู้ประกอบด้วยองค์ห้าตามพระบาลีว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติพิสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวรคือผู้ไม่ถึงสันทากติหนึ่งไม่ถึงโทสาคติหนึ่งไม่ถึงโมหาคติหนึ่งไม่ถึงพยากติหนึ่งรู้จักจานวนจีวรที่แจกแล้วและยังไม่ได้แจกดังนี้อันงร์พึงสมมติแต่งตั้ง ด้วยคำวาจาโดยในยเป็นต้นว่าสุนตตเมผันเตสังโฆยดีสังฆาัสาปตะกันลงังสังโฆิทัา น, นามังภิคุ้งจีวระภาชกังสมันนยะหรือด้วยการอปโลกก็ได้ก็ได้ทั้งอัปโลกทั้งยติทุติยกรรมวาจาร วิธีใช้ในองค์ของภิกษุผู้แจกจีวตรตทราบังนี้เมื่อให้จีวรที่มีราคามากแม้ยังไม่ถึงลําดับแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ชอบพอกันชื่อว่าถึงฉันทากติต้องให้ตังลำดับแต่ยังไม่ถึงลําดับไปให้ก่อน น, นนี่ก็ฉันทากติลําเอียงเพราะชอบพอกันไม่ให้จีวรมีราคามากแม้ถึงแก่ภิกษุผู้แก่กว่าเราอื่น แต่กลับมอบจีวรมีราคาน้อยให้อันนี้ก็ชื่อว่าโทสาคติลาเอียงเพราะว่าไม่ชอบใจไม่พอใจกันที่สุดผู้หลงงมงายด้วยความเขา่าไม่รู้จักธรมเนียมการให้จีวรนี่ก็เรียกว่าถึงโมหาคติลาเอียงเพราะหลงเพราะกลัวแม้แต่ที่ตุผู้อ่อนกว่าผู้มีปากกล้าหมายถึงที่ตุผู้ที่มีภาษาอ่อนแต่วาปากจักจึงให้จีวรมีราคามากที่ยังไม่ถึง ลำดับชื่อว่าถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวเพราะว่าเป็นคนที่มีปากกล้ามีปากจัดก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนด่าโดนติเตียนโดนนินทาที่สุดไดไม่ถึงความลำเอียงอย่างนั้นคือเป็นผู้ประดุดตราช่างเป็นผู้รู้จักประมาณเป็นกลางต่อที่สุดทั้งปวงสองควรสมมุติที่สุนั้นที่สุดแม้นั้นเมื่อจะแจกจีวรคัดเลือกผ้าทั้งหลายอย่างนี้ก่อนว่า นี่เนื้อหยาบนี่เนื้อละเอียดนี่เนื้อแน่นนี่เนื้อบางนี่ใช้แล้วนี่ยังไม่ได้ใช้นี่ยาวเท่านี้นี่กว้างเท่านี้ทําการกําหนดราคาอย่างนี้ว่าผืนนี้ตีราคาเท่านี้ผืนนี้ตีราคาเท่านี้ถ้าเฉพาะผืนหนึ่งๆซึ่งมีราคาผืนละสิบกหาปณะกหาปณะพอทั่วกันถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่พอผืนใดตีราคาเก้าหรือแปกหาปณะผืนนั้น ควบกับผืนอื่นซึ่งมีราคาหนึ่งกหาปณะนะและมีราคาสองกหาปณะนะจัดส่วนเท่าๆกันโดยอุบายนี้เพิ่งให้จับสลากก็ยุติธรรมมากก็ให้จับสลากไม่มีการจะมาให้กันเองหากว่าเมื่อแจกจีวรทีลรูปทีลรูปวันไม่พอเราอนุญาตให้นับพิจูพวกระสิบรูปสิบรูปหากว่า ว่าแจกจีวรเทระรูปเทระรูปแจกกันไม่พอเนี่ยอนุญาตให้นับทิสุพวกละสิบรูปสิบรูปจัดส่วนชีวรเป็นหมวดหมวดหมวดละสิบส่วนทำเป็นมัดอันเดียวกันตั้งเป็นส่วนชีวรอันหนึ่งเมื่อส่วนจีวรได้จัดตั้งไว้อย่างนี้แล้วพึงให้จับสลากแม่ทิสุเหล่านั้นก็พึงทำสลากแจกกันอีกก็คือถ้าเกิดแจกเีระรูปทระรูปไม่พอก็ตั้งเป็นมัดไปเลยแล้วก็ให้แจกไป สิบรูปสิบรูปเอาไปแ บ, บ่งกันอย่างนี้ก็ได้นะเพราะมีพระบาลีว่าดูกรทิกุทั้งหลายเรานุญาตให้สา ม, มนเณรทั้งหลายครึ่งส่วนท้งนี้สมมามเณรเหล่าใดเป็นอิสระแก่ตนไม่ทําการงานที่ควรทําของพิสุสงข่วนขวายในอุเทนและปริพุชฌาคือตั้งหน้าต่างๆแต่เรียนอย่างเดียวไม่ช่วยทํากิจการงานของสงฆ์ทาวัดปฏิบัติแก่อาจารและอุปชาเท่านั้นไม่ทําแต่พิกสุเหล่าอื่น เฉพาะสำเนิเหล่านี้เท่านั้นพึงให้กลึ่งส่วนให้ครึ่งส่วนของพิกษุเท่านั้นฝ่ายสำเนิเหล่าใดทํากิจที่ควรทําของพิกษุสง์ทั้งก่อนฉันและหลังฉันพึงให้ส่วนเท่ากันแก่สามเนิเหล่านั้นก็ให้เท่ากับพระพิกสุเลยแต่คํานี้กล่าวเฉพาะด้วยอาการละจีวรซึ่งเกิดขึ้นสมัยหลังได้เก็บไว้ในเรือนคลังส่วนการลาจีวรต้องให้เท่าเท่ากันแท้ถ้ามีการลาจีวร ไปายถึงก็ถวายหลังจากออกพรรษาเดือนหนึง่งหรือว่าปรานน้าแล้วก็เพิ่มไปเป็นห้าเดือนอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกาณชีวรต้องให้ส่วนเท่าเทกันต่อมาผู้ที่จำพรรษาแล้วถ้าจํานำพรรษาที่เกิดในที่นั้นที่สุดได้สามเณรพึ่งทําปาติกรรมแก่สง์มีผูกไม้กว่าเป็น ต, ต้นแล้วถือเอาถ้าเป็นผ้าที่เกิดขึ้นในสงแล้วก็อยากจะได้ผ้านั้น ก็ต้องทำผาธิกรรมก็คือแลกเปลี่ยนของสองก็ไปผูกไม้กวาดมาแล้วก็เอามาถวายสงแล้วก็นำชีวร น, นั้นไปอันนี้ได้จึงอยู่การทำหัตถกรรมมีผูกไม้กวาดเป็นต้นนั้นเป็นวัดของพิตุสามเณรทั้งปวงในการถือเอาผ้ากำนำปรรษานี้ทั้งในอาการในอาการชีวรที่เก็บไว้ในเรือนคลังตามปกติอันนี้เป็นธรรมเนียมควรจะต้องมีการ ฝกหัดในสมัยก่อนนี่จะเอาจีวรที่เป็นพระจะนำภรษาก็ตามหรือว่าอาคารจีวรเก็บไว้ในเรือนกลางก็ตามก็ต้องเอาไม้กวาดผูกไม้กวาดแต่แรกถ้าว่าสามเณรทั้งหลายมากระทําการร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญพวกผมหุงยาคูหุงก้าวสวยปรุงของควรเที่ยวพวกผมถางหญ้าพวกผมหาไม้สีฟันมาพวกผมทําสะเก็ดน้ําย้อมให้ควรถวาย ก็อะไรเล่าที่ชื่อว่าพวกผมไม่ได้ทําพึงให้ส่วนเท่ากันแก่สำเนินเหล่านั้นเทียวเพราะสำเนินบางท่านอาจจาะ ก, กลัแกนญจีวรแล้วก็เป็นผู้ที่ทาการงานให้กับส่วนรวมก็ควรอยจะต้องเคาะคําพระดํารัสว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้เครื่องส่วนแก่สำเนินทั้งหลายนี้ก็ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาสำเนินผู้กระทําผิด ะสำเนนผู้ที่ทําการงานใดๆไม่ปรากฏก็คือไม่ได้ทําการงานให้ปรากฏมาเป็นผู้ที่หลบหลีกหลบเลี่ยงแต่ในกุรุนีแก้ว่าหากว่าสำเนนทั้งหลายวิงวอนว่าท่านผู้เจริญทําไมพวกผมจะไม่ทําการงานของสงต่อไปพวกผมจะทําก็พึงให้ส่วนเท่ากันก็ได้ทารปากว่าเดี๋ยวจะทําให้ก็ได้ถ้าพิสูจน์บางรูปประสงค์จะถือเอาส่วนของตน ได้หมู่เกวียนแล้วจะข้ามแม่น้ำหรือทางกันดานหลีกไปสุทิศเมื่อขนจีวรนออกจากเรือนคลังจัด ก, กองไว้แล้วพิจูโถงประชุมกันแล้วภิสุผู้แจกจีวรนพึงคเนรู้ว่าส่วนของพิจุนี้พึงมีแค่นี้แล้วให้จีวรนแก่พิจุนั้นโดยเสมอภ้าตามความคาเนเพราะมีพระบารีว่าดูการพิจุทั้งหลายเราอนุญาตให้ท่วนของตนแก่พิจุผู้รีบร้อนจะไปดังนี้ ถ้าเกิดได้หมู่เกลียนแล้วพวกหมู่เกลียนจะเดินทางจะต้องรีบไปกับเขาเพราะว่าถ้าไม่ไปกับหมู่เกลียนก็อาจจะลําบากในทางกันดารหาปัจจัยก็คืออาหารบินตบานได้ลําบากแล้วอาจจะมีโจรร้ายต่างๆก็จะต้องมีหมู่เกลียนเป็นเพื่อนเดินทางไปถ้าจะรีบไปอย่างนี้พระบุตรเจา้าก็อนุญาตให้ดาวจีวร อ, ออกไปจากเรือนกลางเรียมจะแจกแล้วก็อนุญาตให้ให้ติดก่อนก็ได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการลำเอียง จึงอยู่พิกูจน์ไม่อาจให้เท่าเทกันเหมือนช่างด้วยตาช่างได้เพราะฉะนั้นจะหย่อนไปหรือเกินไปก็ตามทีที่วันที่ให้แล้วโดยการคาดพเนยโดยนายอย่างนี้เป็นอันให้ด้วยดีแท้ย่อนไปก็ไม่ต้องแถมให้อีกเกินไปก็ไม่ต้องเอาคืนชะนีแ้แหลนี่ก็กรณีพิเศษในความที่จะรีบเดินทางไปก่อนถ้าพิกูจน์มีติดรูปทั้งผ้าก็มีติดผืนเหมือนกันในผ้าเหล่านั้นผืนหนึ่งทีราคาได้สิบสองกหาปณะนะ เืนที่เหลือตีราคาผืนละสิบกหาปณะนะเมื่อได้จับสลากในผ้าทั้งปวงด้วยอำนาจตีราคาผืนละสิบกหาปณ ะ, ะเท่ากันสลากที่มีราคาสิบสองกหาปณะนะให้ตกแก่พิจุใด้พิจุ น, นั้นพึงให้กับพิยญพัน์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีราคาเท่าส่วนที่เกินจากส่วนที่ตนรับแจกนั้นแล้วพึงให้ส่วนที่เกินถ้าเกิดผ้ามีราคามากกว่าผ้าผืนอื่นๆ จะตัดเดี๋ยวก็มันจะเสียหายเพราะฉะนั้นใครได้ราคามากที่สุดไปจะต้องเอากับพิยญพันธ์ของตอนเองมาคืนจะได้จีวรที่น่าจะได้มีส่วนเท่าเ่ากันหมดทั้งหมดนะนะถ้าผ้าถึงพิษุรูประห้าผืนเท่ากันทั้งยังมีผ้าเหลือแต่ไม่พอรูประผืนก็พึงตัดให้สมมติว่ามีเจ็ดผืนไปพิสุมีห้ารูปแล้วก็แจกไป ให้สลากไปได้คนละผืนแล้วแลื้อสองผืนก็ตัดแบ่งกันให้ครบก็แล้วเมื่อจะตัดพึงทําให้เป็นท่อนให้พอจีวรอัฐะมณฑลอัฐมณฑลก็คือให้เป็นส่วนของจีวรที่ตัดเป็นชิ้นชิ้นิ้นชิ้นนี่นะอยากให้ตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเดี๋ยวจะไม่พอในฐานที่จะตัดจะมีอัฐมณฑลมณฑลแล้วก็กุศลอะไรต่างตเหล่าเนี้ย และนั้นก็ให้ตัดได้ขนาดเท่านั้นหรือบริขารอื่นมีถุงใส่รองเท้าเป็นต้นโดยกำหนดอย่างต่าที่สุดสมควรตัดท่อนให้กว้างเพียงสี่นิ้วยาวพอแกอนุวัฒ น, นก็ต่ำที่สุดก็สี่นิ้วถ้าต่ำกว่านี้ไม่ควรจะตัดแบ่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้การอะไรไม่ได้แต่ไม่พึงทาเป็นท่อนจนใช้ไม่ได้แม้ถ้าในส่วนของทีุ่ดรูปหนึ่ง้าจะไม่พอผืนหนึ่งหรือสองผืน พึงแถมสมณะบริขารอย่างอื่นในส่วนนั้นพิษุใดพอใจด้วยส่วนนั้นพึงให้ส่วนนั้นแก่พิสุ น, นั้นพึงทำการจับสลากในภายหลังถ้าเมื่อพิษุจัดเป็นหมวดหมวดหมวดละสิบรูปหมวดหนึ่งไม่ครบมีพิสุอยู่แปดหรือเก้ารูปพึงให้แก่พิสุเหล่านั้นแปดส่วนหรือเก้าส่วนกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรับส่วนเหล่านี้แบ่งแจกันเถิด ครัให้อย่างนี้แล้วพึงทําการจับสลากในภายหลังแบ่งไปแล้วก็พิสุที่ได้ไปก็ไปจับสลากกันเอาเองแต่ว่าผ้ามันมม น, นี่เหมือนกันทั้งหมดหรอกถึงแม้เหมือนกันทั้งหมดพิกสุรูปไหนเกิดมี่อัติไม่พอใจก็อาจจะกล่าวได้ว่าแจกให้ผมดีแจกให้ผมไม่ดีอะไรต่างเหล่านั้นอให้พิกษุอื่นนี้ผมไม่ดีดังนั้นทางที่ดีก็จับสลากหมดเรื่องไม่มีใครสามารถจะมาติดเกียนว่ากล่าวได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแจกจีวรซึ่งจะมีเรื่องการแจกปัจจัยสีอันหลังวันนี้ก็สมกวรแก่เวลาก็คอยตั้นทั้งหลายเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยตั้งใจศึกษาในไตรสิกาเพื่ออบรมสติปัญญาอบรมอินทรีย์ห้าโพชิปักยธรรม ท, ทั้งหลายเพื่อบรรลุอริยสัจธรรมพระธรรมที่สุดแห่งทุกขตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเพื่อการทุกท่านเทิน หนึ่งหนึ่งห